มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาจตุทวักกรมมะนากรณะปัญหาที่สี่ถามว่า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 ทีคายุกามีอายุยืนพระหวาภาทาบางคนมีอาภาษเจ็บป่วยมากอัปปาภาทาบางคนมีอาภาษเจ็บป่วยน้อยอันเยทุพันนาบางคนมีผิวพันวันณะอันชั่วอันเย ว, วันณะวันตาคนอื่นบางพวกมีผิวพันวันณะอันงามอัปเปสขขาบางพวกมีอานุภาพน้อย มเหสัขาบางพวกมีศักดานุภาพมากอ ป, ปะโภขาบางพวกมีสมบัติน้อยพระหุโพขาบางพวกมีสมบัติมากอัญเยนีจาคนอื่นบางพวกมีสกุลอันต่ำอัญเยอุจจกุลิโนคนอื่นบางพวกมีสกุลอันสูงอัญเยทุ ป, ปัญญาคนอื่นบางพวกมีปัญญาน้อยปัญญาวันตา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 กรรมธายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณากรรมังสตวิพัชติยะที่ทางฮีนับปณิตตาญาติกระแสพระพุทธดีกาตรัสโปรดไว้ว่าสัตตาอันว่าสัตว์โลกทั้งหลายอันจะเกิดมาในโลกนี้มีลักขณะต่างๆกันโดยประเภทกรรมสกาเหตุเพราะ